เต็มตัวทำวัดเช้าพร้อมแล้วกราบ3ครั้งกราบกราบกราบ พระรหังสัมมาสัมพุธทธาภควานพระภูมิพระภาคเจ้าเป็นพระอระหันดาเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงจะสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพูดทางพระควันตั้งอภิวาลเทมี ข้าพระเจ้าพระพิไพระผู้มีพระภาคเจ้าผูร้รวมผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวา่างขันต มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วท ร, รมังนมัสสามีข้าบเจ้านามัสการพระธรรมกรสุปฏิปนนผ่าคขาวันโตนสวาวกสังขรพระสงสาวกคของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบาติาดีแล้วสังฆนมามิข้าบเจ้าน้อมนอมพระสงค์กราบเปิดหนังสือไปหน้าร้อยหกสิบหน้าร้อยหกสิบอาทิตปริยายสูตรนับขึ้นมรทัดที่ห้า เอวเมสุตังข้าบะเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้ว่าเอกังสมัยยังบควาขยาอย่างวิหารติขยาสีเซสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ตําบลขยาสีสะ กายแมนนำขยาสาทิงบิคเวสหาเซนาพร้อมด้วยภิกษุสรงหนึ่งพันรูปตรัตรโคภะควาภิกขุวันเตสีนาที่นั่นแหลมพระภูมิพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเพื่อให้สดับเนื้อความแห่งพระพระาสิทธนิวาส สัพพังบิคาเวอาทิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนหิมจาวิคเวอาทิตังก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อน จากคุงพิกาเวอาทิตตังดูก่อนภิกษุทั้งหลายตาเป็นของร้อนรูปปาอาธิตารูปทั้งหลายเป็นของร้อนจากคู่วิญญาณังอธิตังการเสวยอารมณ์ทางตาเป็นของร้อนจากคูสัมผัสโซอาธิโต การสัมผัสทางตาเป็นของร้อนยามปีทางจากขูสัมผัสสัปปจจัญาอุปัชติเวทยยตังเวทนาคือความรู้สึกสเวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยแม้ใด สุขขังวาทุกขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีทุกขก็มาสุขขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตามปีติตังแม้อ น, นั้นก็เป็นของร้อนเกณฑ์ปีติตังร้อนเพราะอะไร หาทิตังราคากินาโทสากินาโมหากินารอนเพรไฟคือราคะโทสะและโมหะหาทิตังชาติยาชรามรณะรอนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกยิปริเทเวยิทุเกยิโทมานเสยิอุปายาเสยิ ร้อนเพราะความโศ ค, ความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแคขนใจทั้งหลายอาทิตันติวะธามีเรากล่าวว่านี้เป็นของร้อนโสตังอาทิตังหูเป็นของร้อน สาธาอาธิตาเสียงทั้งหลายเป็นของร้อนโสตวิญญาณังอธิตังการสเสวยอารมณ์ทางหูเป็นของร้อนโสตสัมผัสโสอธิตตการสัมผัสทางหูเป็นของร้อนยมปีทางโสตสัมผัสสปัจจียอุปัจจติเวทยิทัง เวทนาคือความรู้สึกสเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขขังวาทุ ข, ขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีถ้ทุก ข, ขมาสุขขังวาหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดี ตามปีอาทิตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณนาอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตังราคาคินาโทสักินาโมหะคินาร้อนเพราะไฟคือราคาโทสและโมหะ อาติตังชาติยาชรามรนะร้อนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวยิทุเกหิโทมนาเซหอุปายาเซหิร้อนเพราะความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลาย อาทิตันติวัธามีเราก่าว่านี้เป็นของร้อนขานางอาทิตา์จมูกเป็นของร้อนขันธาอาทิตากินทั้งหลายเป็นของร้อน การวิญญาณังอาทิตังการเสวยอารมณ์ทางจมูกเป็นของร้อนการสัมผัสโสอาทิโตการสัมผัสทางจมูกเป็นของร้อนยำปีทางการสัมผัสสัพพัญญาอุปัชติเวทิตัง เวทนาคือควา ม, มรู้สึสกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางจมูกเป็นปัจจัยแม้อันใด สุขข้างวานุข้างวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีถาทุกขมาสุขข้างวาหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีตามปีอาทิตตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณฑ อ, อ, อาทิตตังร้อนเพราะอะไร หาติตังราคาคินาโทสักคินาโมหคินารอนพราไฟคือราคาโทสและโมหะหาติตังชาติยาชรามะรเนนันมรอนเพราะความเกิดความแก่และความตาย โสเกหิปริเทเวยิทุกเกหิโทมนาเสหิร้อนเพราะความโศกความรําไรรําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายอาทิตันติวัฏฐามีเรากล่าวว่านี้เป็นของร้อนจิวาอาทิตาาตารินเป็นของร้อนระ a s ā d ิตา ริ้ท<ล>ังรายเป็นของร้อนชิวอาวิญญาณังอดิต<ส>ังการเสวยอารมณ์ทางลิ้นเป็นของร้อน<ส>ชิวอสัมผัสโซอดิตโตการสัมผัสทางลิ้นเป็นของร้อนยำปีทางชิวอสัมผัสสะปฏจยาอุปัชติเวตยิตัง เวทนาคือความรู้สึกสเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางลิ้นเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขข้างวาดุขข้างวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดี นาทุกขมาสุ ข, ขังว่าหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีตามปีอาทิตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณฑอาทิตังร้อนเพราะอะไรอาทิตตังราคะขินาโทสักขินาโมหะขินาร้อนเพราะไฟคือราคะโทสัและโมหะ อาทิตังชาติยาชรามรณะรอนพ่อความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิตุเขหิโทมนาเซหิปายาเซหิ ร้อนเพราะความโศก ค, ความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคั บ, คบแค้นใ จ, ใจทั้งหลายอาทิตันติวธามีเราก่าว่านี้เป็นของร้อน<ม>กายโยอาทิตโต<ม>กายเป็นของร้อน โกดภานทิตาสิ่งที่ถูกต้องกลายเป็นของร้อนกายาวิญญาณอธิตาการเสวยอารมณ์ทางกายเป็นของร้อนยำพิทางกายสัมผัสสัพพัญญาอุปชัติเวทยิติธมเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางกายเป็น ปัจใจแม้อันใดสุขครั้งวาทุกขั้งวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาจทุกข์ก็มาสุขั้งวาหรือไม่ใจทุกข์ไม่ใจสุขก็ดีตามปีอาทิตตังแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณฑอาทิตตังร้อนเพราะอะไร อาทิตาราคาคินาโทสะขินาโมหคินารอนเพราะไฟคือราคาโทสและโมหะอาทิทตังชาติยาชรามรณีนารอนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเทเวหิทุเกิโทมนาเซหอุปายาเซหิ รอ้อนเพราะความโศกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความรับแค้นใจทั้งหลายอทีิทันติวธามีเรากล่าวว่านี้เป็นของร้อนเมโนอาดิโต ใจเป็นของร้อนธรรมอทธิตาอารมณ์ที่เกิดกับใจเป็นของร้อนโมนโวิญญาณังอธิตัางการเสวยอารมณ์ทางใจเป็นของร้อน มโนสัมผัสโสอาทิตโตการสัมผัสทางใจเป็นของร้อนยามพิทางมโนสัมผั ส, ส ป, ปัจจัญาอุปัชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้ เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางใจเป็นปัจจัยแม้ใดสุขขังวาทุขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอทุกขมาสุขขังวาหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีตามปีอาทิตย์ามแม้อันนั้นก็เป็นของร้อนเกณฑอาทิตย์ตามร้อนเพราะอะไร อาทิตังราคาคินาโทสากินาโมหาคินารอนเพราะไฟคือราคาโทสและโมหาอาทิตังชาติยาชรามรณะรอนเพราะความเกิดความแก่และความตายโสเกหิปริเตเวหิทุเกหิโทมัสเซหิอุปายาเซหิ ร้อนเพราะความโศความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายอาทิตติวันทามีเรากาวว่านี้เป็นของร้อนเอวังปัสสังพิกเวสุตตวะอริยสาวโก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดึกษแล้วเห็นอยู่อย่างนี้จะคุสมิงปินิพินฑติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในตารูปเสุปินิพินตติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูป จากขูอินญาเนปีนิพินทตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการเสวยอารมณ์ทางตาจากขู ส, สัมผัสเซปีนิพินทตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางตา ยาปผีทาจากักขู่สัมผัสสปัญธยาอุปัิชติเวทยิตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางตาเป็นปัจจัยแม้อดายสุขขังวาทุกขังว า, วาเป็นสุขก็ดีเป็นทุขกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขขังวาหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ ตาสมิงปีนิพินตติยยอมเบือหนหายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์อนันโสตาสมิงปีนิพินตติย่อมเบือหนหายแม้ในหั สัทสุปินิพินติตียอมเบื่อน่ายแม้ในเสียงโสตวิญญาณนปีินิพินติตียอมเบื่อน่ายแม้ในการสเสวยอารมณ์ทางหู โสตสัมผัสเสปินิพินตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางหูย่มปีทางโสตสัมผัสสปัจจยาอุปจติเวเดยียตังเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางหูเป็นปัจจัยแม้อันใดสุขขังวาทุขังวาเป็นสุขก็ ดีเป็นทุกข์ก็ดีถ้าทุกขเข้ามาสุขครั้งวันหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตาสมิงปีนิพินทัดทียอมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกสเสวยอารมณ์นั้นขานาสมิงปีนิพินทตดทียอมเบื่อหน่ายแม้ในจมูก ขานธสุปินิพินฑติย่อมเบื่อนายแม้ในกิ่นขานาวิญญาณิปินิพินตติย่อมเบื่อน่ายแม้ในการเสวยอารมณ์ทางจมูกขานาสัมผัสเสปินิพินฑติย่อมเบื่อน่ายแม้ในการสัมผัสทางจมูก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 สุขังว่าทุกขังว่าเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอทุกขมาสุขังว่าหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีกาสมิงปีนิพินทตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์อ น, นันต์ชิวหายาปินิพินทตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในลิน้น ราเสสุปีนิพินทตีย่อมเบื่อนหน่ายแม้ในรสคิวหาวิญญาณิปีนิพินทตีย่อมเบื่อนหน่ายแม้ในการเสวยอารมณ์ทางลิน้นคิวหาสัมผัสเสสุปีนิพินทตีย่อมเบื่อนหน่ายแม้ในการสัมผัสทางลิน้น ยามปีทางชิวะสัมผัสสปัจจยาอุปัชชติเวทิตัเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทงิ่เป็นปัจจัยแม้นใดสุขขังวาทุขังวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาจุกคมะสุขขังวาหรือ ไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุขก็ดีแต่สมิงปีนิพินทติยอมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์ น, นั้น กายาสมิงปีนิพินฑติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในกายโพธะเพสปปุปีนิพินตติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสิ่งที่ถูกต้องกายกายาวิญญาณีปีนิพินฑติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการเสวยอารมณ์ทางกาย กายสัมผัสเสพนิพินทติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสทางกายยาสัมผัสสะปฏจะยาอุปัชติเวทิตังเวทนาคือความรู hmm. ah mm ้สึกเสวยอารมณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยการสัมผัสทางกายเป็นปัจจัยแม้อันใด สุขังวาทุกังว า, งวาเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีอาทุกขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ดีตาสมิงปีนิปินดติมยอมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกสเสวยอารมณ์อันนั้นขานาสมิงปีนิปินติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในใจ ธรรมสุปินิพินตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในธรรมอารมณ์ที่เกิดกับใจมโนวิญญาณิปินิพินตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการเสวยอารมณ์ทางใจมโนสัมผัสเซปินิพินตีย่อมเบื่อหน่ายแม้ในการสัมผัสอารมณ์ทางใจ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 สุขังวาดุขังวาเป็นสุก็ดีเป็นทุกก็ดีอาดุขมาสุขังวาหรือไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุก็ดีต่สมิงปีนิพินฑติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาคือความรู้สึกเสวยอารมณ์อันนั้นนิพินทางดิวะจติเมื่อเบื่อไหน่ย่อมคลายกำหนัด วิราคาวิมุจจรีเพราะสิ้นกรรมนาจิตก็หลุดพ้นวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาังโูตี เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยอมมีญาณย่างรู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วขีณาชาติอุสิตังบรมมชจาริยังกะตังกรณียังนาปรังอิัตายติปชานาติอริยาสาวกนัน้นยอมทราบชัดวา่าชาติสิ้นแล้วพรหมมจันอยู่จบแล้วขีดที่ควรทำได้ก็ทำสำ เรจแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกแล้วอ่ธรรมโวจรพระขวามีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัตธรรมอันเป็นปริยายอันนี้แล้ว อตาตมนาเตปิกุภาควะโตภาสิตังอภินันทุงเบียกสู่เหล่านั้นแต่ก็มีใจอินดีชื่นชมในพระาสภภิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าอิมัสมินจับปนาวัยากระสมิงพันยมาเนก็แลเมื่อไวยกากรภาสิตอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ ต่สาภิกุสหัสสอนุปทายอาสเวหิจิตานิวิมุจิงสุตีจิตของพิสูหนึงพันรูปนั้นก็พ้นจากอาศวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมันถือมันด้วยอุปาทานดังนี้แล้วต่อไปเป็นหน้าร้อยธรรมะปังสนสูตร เอวังสวาัาโตภิกขเวมะยาธรรมโมดูก่อนภิกษุทั้งหลายทำมันเรากล่าวดีแล้วอย่างนี้อ<ม>ุตโนเป็นการทําให้เป็นดูดของที่ความให้งายขึ้นแล้ว<ม>วิวัโตเป็นการทําให้เป็นดุดของที่ปิดให้เปิดออกแล้ว ประกาศิโตเป็นธรรมอันเราตัากคตประกาศกองแล้วชินอาภิโลติโกเป็นธรรมมีส่วนขี้ริลวอันเราตัากคตเฉือนออกหมดสิ้นแล้ว เอวังสวากาเตโคภิกเวมะยาธรรมเเมดูก่อนทิกสุดทั้งหลายเพื่อธรรมนี้เป็นธรรมเราเก่าดีแล้วอย่างนี้อาลังเอวา ย, ยอมเป็นการสมควรแล้วนั่นเทียว สัทธาปภัจิเตนาคุลาุเตนาวิริยังอาราภิตุที่คุณลบุตรผู้บวชแล้วด้วยศรัทธาจะพึงประาบความเพียรกามังตะโจจะนารุจะอดีจะอาวสิสตุ ด้วยการอธิษฐานจิตว่าแม่นังเอ็นกระดูกจะเหลืออยู่หรือไม่สารีเรอุปสุสตุมังสโลหิตังเนื้อและเลือดในสรรานิจะเหือดแห้งไปก็ตามยันตังปุริสัททเมนะปุริสาวิริเยนะปุริสาปรกะเมนะปัตตาบัง ประโยชน์ได้อันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรบากบันของบุรุษาดัองอปาภุนิตว่าปุริสาวิริยสาสันทานังปวิสติติ ถ้าอย่างไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจากหยุดความเพียรของตนเสียเป็นไม่มีดังนี้ดูขังพิกเวกุสิโตวิหารตี ดูก่อนพิสูจทั้งหลายคนผู้เกียรติขานย่อมอยู่เป็นทวงวอกินโนโปาปปเกหีอากุสเลหีธรรมเมหีรา e คนอยู่ด้วยอากุศลนธรรมอันลาโมกทั้งหลายด้วยมานตัญจะสาธังปริหาเปตีย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้เสือ่อมด้วยอาราถาวิริโยจะ อบิคเวสุขังวิหารตี ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีความเพียรอันปารบแล้วย่อมอยู่เป็นสุปาวิวิตโตปาปเกหีอากุศเลหีมมธรรมมหีสังขัดแล้วจากอากุศนธรรมอันลาโมกทั้งหลายด้วยมหันตัญจะสทัทถังปาริภูรตีย่อมทำประโยชน์อันใหญ่หลวงของตนให้บริบณ์ด้วย นาพิกเวีนเนนาอาคัสสปติโหติดูกอนภิกษุทั้งหลายการบัรลุธรรมันเลิดด้วยการก็รรมมันเลวย่อมมีไม่ได้เลยอาเคนาจากโอกอาคัสสปติโหติแต่การบัรลุธรรมันเลิดด้วยการก็รรมมันเลิย่อมมีได้แล มันดาไปยามิทังบิกะเวพรมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมจันนีน่าดื่มเหมือนมันดายอดโอชาแห่งโครส สัทธาสัมมุขีผู้ตนทางพระศาสดาก็อยู่ที่เฉพาะ น, านี้แล้วตตดสมาติหาภิกเววิรยิยาราพธาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นเธอทั้งหลายจงปรารบความเพียรเถิดอปัตตยปัตยังเพื่อการบรรลุถึงซึ่งธรรมันยังไม่บรรลุ อานาธิคาตาสอาอิขมายาเพื่อการถึงซึ่งธรรมอันยังไม่ถึงอาซาชิกาตาสาซาชิกิริยญาณาเพื่อการทำให้แจง้งซึ่งธรรมอันยังไม่ได้ทำให้แจง้งเอวังโนโอาหยังตุมฮะกังปปะชาญเมื่อเป็นอย่างนี้บัญญรติชานี้ของเราทั้งหลาย เอวังกตาอวัญชาพวิสติมจากเป็นบัพชาไม่ต่ำสามจากไม่เป็นหมันเปล่าสภาลาสอุตรยานแต่จากเป็นบัพชาที่มีผลเป็นบัพชาที่มีกำไร เยสังมาปริพุนชามาจิวราปินดาปาตาเซนาสนากิลานปัจยาเพสัจจาปริขารัง เราทั้งหลายบริโภคจีวรบินฑบารเสนาสนะและเภสารของชนทั้งหลายเหล่าได้เตสังเตการาอมเฮสูนการกระทํานั้นๆของชนทั้งหลายเหล่านั้นในเราทั้งหลายมหาภลาภวิสันติ ม, ah ap ap anti, ม ah an านิสังสาติจักเป็นการกระทําที่มีผลใหญ่มี อานิสงอันใหญ่ดังนี้เอวังอิวะพิกขเวสิกิตภาพังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แล อาตัางวายภิกขเวสัมปสสมาเน้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งตนก็ต า, าลาเมวาปมาเทนสัมปาเทตุลก็ควรแล้วนั้นเทียวเพื่ อ, อยังประโยชน์แห่งตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ปาราันทั้งวายภิกขเวสัมปัสสมาเนนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นก็ตาาราเมวะอปมาเทนะสัมปาเทตุมก็ควรแล้วนั่นเทียวเพื่ อ, อยังประโยชน์แห่งชนเหล่าอื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท อุพยายนทั้งวาหิภิกขเวสัมปัสสมาเนนัดูก่อนภิกษุทั้งหลายเชื่อว่าเมื่อบุคคลมองเห็นอยู่ซึ่งประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายก็ตามอาลาเมวาอัิมาเทนะสัมปาเทตุ ก็ควรแล้วนั้นเถี่ยวเพื่ อ, อยังประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดอีติมด้วยประการชนีแหลหน้ารอเจ็ดสิบสามอพิชฌมคละคาถาพุทธกเกษตรนโมตัสสะพระควโต ขออน้มน้มแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นสุนิพุทธสตตาที่โนสัมมาวิรุณธรรมสาสวกานังปรมปราผู้เสด็จนิพผานดีแล้วยังมีพระคุณคงที่มีพระธรรมงองามโดยชอบแล้วเพราะการสืบต่อแห่งพระสาวกทั้งหลาย ตาสป า, ารามิเตเชนันด้วยเด่นแห่งพระบารามีของพระผู้มีพระภาคเจ้านัน้นสาทธรรมโมอมตาพะโล ก, กิเลสาสันตาปัจจุเนปิโลเ ก, กรอัติทานาสโสพระสาทธรรมมีอมตาเป็นผลย่อมเจริญขึ้นในโลกแม้ทำกลางความแผดเผาแห่งกิเลสตามฐานา ตังโคภูธังบคาวันตัง ส, สัสดธรรมังสสาวกังอภิวันดิยาปูชเชตวาเราทั้งหลายอภิวาสบูชาแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทางพระธรรมและภาษาวกนั้น สุเคเตระตนัตะเยโรเปมาปุญญาพีชานีชื่อว่าหวานพืชคือบุญทั้งหลายในภารตนาตรายอันเป็นเนื้อนาบุญอันดียาณัสสะสะดากานิโนโลโกเก ท, ทุขาสาะโลกามหาสัมมานิสรณนสัจจา เพื่คือบุญนั้นเป็นเครื่องยังยานของเราทั้งหลายให้สําเร็จด้วยอย่า ง, งความทุกข์กในโลกให้สิ้นด้วยอย่างความหลีกออกจากทุกโดยชอบให้สําเร็จด้วยภาษิทังปนะุตตเสเทนะสัจจังโลกกคขวาทินาสัทธาพีชังตโพวุติปัญญามีอยูขข่ขังกลางคําสัตย์อันพระพุทธเจ้า ผู้ประเสริฐสูนเป็นอาวาที่ในโลกได้ตราสไว้แล้วว่าศรัทธาของเราเป็นพื้นความเพียรเป็นฝนปัญญาเป็นแอกและคันธ์ไทยฮิริอิสามโนโยตังสติเมภาลปาจนงฮิริเป็นงอนไท ย, จยใจเป็นเชือสติเป็นผานและประตาก กายกุโตวจีกุโตอาหารเรือธเรยโตสัจจังกโรมินิธานังโสระจังมเมะโมชนัง การคุ้มของกายวาจา ก, การรูปประมาณในอาหารการมีสัจจะเป็นเครื่องตัดใจช่วยให้เลิกได้เด็ดขาดวิริยังเมตุราโทไรหังโยคาเขมาติวานาังวิริยของเราเป็นหน้าที่การงานทำให้ถึงซึ่งประนิพานอันเป็นแดนกเกษมจากโยคา ขาชติอนิวัตตังยัตถาคันตะวานะโสจติไปอย่างไม่เหลียวกลับไปถึงที่แล้วไม่เศร้าโศงเอวามีสกุสิกทาสาโหติอมตะพลังการทำนาใครทำได้อย่างนี้ย่อมมีอมตะเป็นผล เอตังกะสิงกะสิตวานาสัสสะพะทุคาปมุจติติบุคคลทมนาอย่างนี้แล้วยอมพ้นจากทุกทั้งปวงได้บางนี้แล้วจบสวดบทพิเศษต่อไปเราปฏิบัติร่วมกันไปสักครู่นึ่งแล้วค่อยมาต่อ ย, ยกสอง